วันในประเทศเรื่องมีหวนหามีหวนหานี่มันเป็นอุปสรรคของภาวนาทั้งสมาธิถ้าว่าเทีงเรื่องภาวนาสมาธิคือทางค้นไปจากโลกเรียกว่าสมาธิภาวนา ผู้ที่ยังอยู่ในโลกก็ให้ควรรู้ไว้มีวอนหาเป็นอุปสรรคยังไงมีวอนหานั้นมีห่าข้อด้วยกันข้าไม่ฉันท้าความยินดีปล่อยใจในกามพยาบาท คิดจองร้านสองฐานทั้งตนและคนอื่นที่มีทะของเงาเหงาเข้านอนอุทธิจกุกุกจัของทุ้งซ่าในลำทางใจพี่จีติฉาลังเลตกลงทสงใสัยไม่ด ตกลงลังเลสงสัยทัดสินใจไม่ได้มีห้าขอท่เนี่ยกาไมฉันทรขอแรกพูดทั้งเรื่องกาแล้วข่วงขวางพิสดารมากท่านพูดทั้งเรื่องกามาคุณ คือเห็นคือรูปเสียงกินรถโภทพะกามาคุณหาความยินดีในรูปความยินดีในเสียงความยินดีในกลิ่นคุณยินดีในรสในโภทพะความยินดีนั่นแหะเป็นตัวกลางมีความยินดีอย่างเดียวเท่านั้น ตลอดหมดเห็นรูปกยกินดีในฟังเสียงเสะก็ยินดีรูปกิน่นหอมหวนชวนแล้วชิดถึงก็เป็นกลามก็มีความยินดีลดยำหัดม่ใ่ลดอาหาร รสสัมผัสถูกต้องเขาทราบซึ่งเขาไปถึงใจ น, นั้นเรียกว่ารถยิ่งกว่ารถอาหารรสอาหารมันจะทราบซึ่งเขาถึงใจเหมือนกันถึงว่าสัมผัสตัวรีดแต่เมาเขาทราบซึ่งร็ไปถึงใจพอใจยินดี สัมผัสเกี่ยวข้องทึ้งเรื่องถูกต้องเรื่องที่มี่มนวนส่วนในละลึกคิดหั้รูอ้คอใจมนดีนั่นเรียว่ากามคุณหาคำว่ากามฉันทาในที่นี้ว่าถึงสามใช่กันเรื่องความินดีใช่กอน มันเป็นอุปรคได้ยังไงคนีความยินดีในของวันนี้มันก็ไม่เข้าถึงสมาธิเพรหน้าใช่ั้มท่านเรียกว่ากามาชิเลสคือมันทั่วพันยินดีพอใจจึงไม่สามารถลุ่วงเข้าไปถึงธรรมะที่ความสงบได้ แม่ว่ากาเมขิเลท่านกาเมโยคะคือประกอบอะไรทั้งหมดจิตผ่านปัวันเยื่อคล้องเมื่องโดยกามทั้งนั้นจะคิปจะเนึกเปิดกล่องจิตในกลสองมดนี่จะประกอบภาระจิตภายนอก ย่อมเนื่ อ, อถึงเรื่องการนั้นเรื่อการไม่โยคะกามาสังโยกันเดียวกันถ้ากามโยกกามมาินุกนั่นยังค่อยพ้นจากกาเเรื่อไม่เกี่ยวข้องใกความเพลิดเพินความพ อ, พอใจ หลุดคนเชีจากความพอใจความยินดีตรงรูดแขงตินรถโพธภิภะมันจะมากระทบกระทั่งมันเป็นการเรียกว่าเมคธมะัตัดว่ามันอได้ปัวผันด้วยเมื่อพ้นจากอันนี้แล้วมันไม่เกี่ยวข้องปัวผัน แต่มันยังอยู่กายของเรามนีอยู่มันก็ต้องสัมพัสเกี่ยวข้องโภคัณรูปเสียงกลิ่นรสโธธภทภะมันก็ต้องเป็นธรรมดาแต่หากโชนเสียด้วยเจตนกังวลเกี่ยวข้อ ง, ง, องนี่เป็นเครื่องบริสุทธิ์ของใจพวกเราถึงในคขมะเยาว ก, กาสมาธ น, นุก ก็เรียกนี่ยธมะก็เรียกสามัคคินทบในที่นี้นั่นคือเห็นโทษทั้งห่านั่นเห็นโทษทั้งห้าประการนั่นไม่ใช่เห็นครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วก็แล้วฉันนี่ตลอดกาลเวลาเ น, านี่ยสามัคคินทบ จะเห็นรูปเห็นเสียงได้ยินเสียงั้งถูกกลิ่นเล่นรถถูกรตัดเห็นอาการที่กระทบมันนะมีหูมันก็กระทบเสียงมีม้ก๊งโมก็กลิ่นมันกระทบรูกเสียงกลิ่นรดรดในที่นี่นะั้ หมายถึงความคือทราบซึ่งภายในใจเข้าไปติดเข้าไปทราบซึ่งเข้าไปถึงใจ น, นั่นเดียวตัลดอย่างเราได้เห็นรูปอย่างเนี้ยรูปสวยๆงามๆรูปที่นาเพลิดเพินจเจริญใจ คิดอกติดใจเพลินงัวเมาในลลกนั้นหรือเสียงนี่คือเป็นตน้นชอบชอบอกชอบใจกันใดงินเสียงดีๆบกพราอไม่กนินเข้าก็ได้อาหารตั้งส่วนลดอาหารที่สัมผัสายริ้น คอบงามวัตถุขนาดนั้ น, นจึงเรียกว่าปัจจักในการทำข่วมเพียนภาวนาทำสมาธิไม่ลงทำสมาธิในใ่ได้ก็พุทธภมจันทร์ไม่อยู่โดยเฉพาะเรื่องการไมฤฤ่กิเลส ที่เรียกว่ากิมข้อที่สามแล้วพืชโภมาอัศธ ร, รรมมันไม่เป็นธรรมใช่แล้วมันเป็นค่าซื้อแทนโภมาจันนั่นเรียกว่าอัะศัต ร, รูของมันเป็นไม่ใช่ธรรมแต่คนทั้งหลายทั้งโลกหมดไม่ว่าสัตว์ตัวใดทั้งหมด เกิดึ้นมาในโลกนี้ก็ยังเป็นอาตธรรมล่ำไปสิ่งที่มาเป็นธรรมชอบนะักดิ้นรนกระเสือกกระสนหาได้สิ่งที่มาเป็นทรรสิ่งที่ผมเป็นพ ม, ม่กจาร์นั้นไม่ชอบมันมีเรียกว่าอุปสรรคร้อนี้ ค, นคอต่อไป พญาบาทพูดในทางปฏิบัติแล้วพญาบาทไม่ต้องฆ่ารองงานสองขานคนอื่นจริงอื่นพญาบาทคิดตัวนั้นแหละโัวกลาไม่ฉันทะมุ่งแต่ ทำให้ได้ใจตนเองดังที่ได้ยินข่าวในจดหมายเรืออรร่อยๆ ใ, ในหนังสือพิมพ์เรืออร่อยๆอย่างแทบทุกวันนั้นก็พืชผิดมิชาชานถึงขนาดว่าฆ่าตายโดยที่ไม่คิดถึงความทุกข์ของคนอื่นเอาแต่ความสุขของตนเองอันนั้นน่ะเดียวปัญญาบา้าง ทำไมถึงกับขาจะคิดเอาส่วนตัวเรียกว่าพยาบาทนั่นเดียวนั่นเนี่ยเกิดไปจากอันเดียวนั้นเนี่ยตัวกาไม่ฉันทะตัวเดียวเนี่ยเป็นเหตุคิดนมิทะเมื่อเห็นเมื่อเป็นเช่นนั้นขาไม่ฉันทะครอบนำ ในใจแล้วความซึมความง่วงเหงาในเรื่องนั้นเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นไม่สามารถจ่แยกจิตแจวจากเรื่องนั้นทินวิทัศซึมเซาง่วงเหงา จิดไหนจิดไปไหนกันยันโวกับไปมาเท่านั้นจึงว่าเป็นอุปสรรคพุทธเจาสุริจารณีพุ่งสนในลำคากั่งอะไรสิภุ่งสาในในเรื่องเก่าไม่ไปไหนทัางวนเกี่ยวข้องู่เรื่องเก่า ทำมาให้กินสิ่งใดแต่คิดี่เรื่องเก่าวนมาของเก่าในกรุงซ้านในลำคาญอย่นั้นเงว่าคนคิดอันนั้นนะคนเราจะพูดปั่นข้ามเส้นลุมกับตา การวนจะเรื่องเก่าพูดจะเรื่องเก่าคือมันวนเวียนมาของเก่ามาจบเรื่องของเก่านั่นแหละพูดจะได้ก็ไดนะ้กับจบของเก่ามีีจิตฉาลังเลระพันจะสมประสงค์เรื่องไม่สมประสงค์เราต้องการที่เราต้องการปรารถนานั้นได้หรือไม่ได้เนะาะเปลียนไปได้ไหมเปลียนไปเนาะ ลังเลสงสัยคือว่าจับต้นตัวเดียวแล้วตลอดมดทั้งหากอันนี้พูดในทางสกิบัติระพุทธเจ้าเป็นเทศนาไว้ทำทหมวดทุกหมู่เทศเพื่อให้แก้ตัว เพื่อให้ชนะตัวเองไม่ได้พูดออกจากตัวนั้นนันยังถูกขำคำสอนพระิเจ้าจึงว่าอธิบายทั้งห้าข้อเลอธิบายในตัวของเรามนุษย์ทั้งหลายเกิดเกิดมาในโลกนี้ทั้งมดย่อมพอพันอยู่ด้วย กล้ามาคุณหาองโคพันนี้ด้วยนม่รอนทั้งหาไปไม่รอดสักตัวเดียวมันเป็นอุปสรรคของสมาธิภาวนาทานสมาธิมีอันนี้เป็นเครื่องขัดข้องล้วไปไม่ถึงไหน ทันท้าต้นจากนี้และกันไม่มีอันนี้เป็นเคร่งเกี่ยวข้องัวพันมการมนฉันทะเป็นต้นเป็นเมคข่ำคือการสระการมาเห็นนกคือเห็นโทษของมันเห็นโทษแต่ยังจิตอยู่ยังโัวพันอยู่กับกาย ขับใจแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องพกพันมือเป็นชิ้นนั้นแล้วพิจารณาตัวนี้การมาฉันทะตัวนี้ต้องได้เห็นเด็ดขาดเห็นจริงขึ้นมาทุกอย่างอธิบายนลยชัดขึ้นมาเลยมันชัดจริงขึ้นมาภายในใจของตนอย่างนั้นจิตมันวางลงไปด้อย่างนั้น มันก็นลงถึงสมาธินั่นก็นลงถึงฌานฌานนั้นมันคือสงบปเฉชเฉยนี่หอนั้งห่างในเพียงสงบเฉยเฉยคือมันสงบแล้วมันไม่คิดไม่คิดเจรนาบางคนก็คือว่าตนได้สำเร็จมาคนนี้ผ่านมีทิฏฐิอตอนทิฏตัว เดื่อเสร็จแล้วมาเวลามันกลับออกมาจากนั้นมามันนิ่งหมูใหญ่ของเขามันนีเป็นที่สร้างถุมของมีหวอนหากคือความสมบเฉยถ้าหากว่าเนคขมมะ อ๋อจังไอ้กามะไอ้กามะทินกเห็นโทษจริงจริงอย่าจังมีัญญาค้นคน ว, ว่ามันจะอยู่ตรงไหนซอกไหนมุมไหนตามดูตามดูตามรูปของมันมันอยู่ไหนะตะชาดออกมาหมดเลยลบช่อนจากตรงไหนไปตะชาดออกมาขยี้มันให้หมดเสียอันนั้น เป็นสมาธิไม่มีที่หลบซ่อนอะ้รทันหมดเรื่องไปแต่ถึงขนาดนะั้นก็ยังมีอาการเล็กน้อยอยู่เหมนกันท่านยังบอกว่าโรดารอในสกิทาคานาคาทำกิเลสเบาบางลงไปแต่ยังไม่ทันหมดสิน้น ที่ทาคานาคาทำกิเลสให้เปบาบางไปแต่ยังไม่ได้หมดคิดต่อเมื่อถึงปารหัสจึงจะหมดคือหมายความว่าปัญญาในสอดส่องรู้เรื่องของมันแต่ยังมีในเลือไหนยานัเนี่ยถ้าหากถึงปารหัสแล้วเปิดโปง มี่อนเด่นตัวกาไม่เฉลต์จึงมาเป็นร้ายขาดมากกาไม่ฉันทะเป็นตัวร้ายกาที่สุดซึง เ, เครื่องผูกมัดตัดทั้งหลายอยู่ในวัฏฏะน้เวียนว่าสายขาิดโดยที่ไม่รู้ตัวเลยผู้ที่อยากจะค้นจากทุกทรรมสมาธิภาวนานี่แหละจิตใสใช้สะอาดแล้ว ดเรื่องของกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ให้ค่อยเบาบางลงไปในป้ผลที่สุดถึงความพ้นในความบริสุทธิ์หมุจโตไ ด, ด้เราทุกผลเกิดขึ้นมาในกาเมกาิเลส ทันจะเกิดขึ่นมาในกาเมจิดิขั้นก็มีกามันก็ไม่เกิดเป็นคนจึงต้องควบันโดยกาเมจิดิจึงต้องมีอุปสรรคคือว่ากามจิดิกาเมชันทะนี่แหละเป็เครื่องควกคันคนที่จะพ้นจากทุกพ้นจากโลกอันนี้ได้พ่อมาเห็นกาเมเจดิกามชันทะนี่ ท่านยังบอกว่านี่ท่านยังบอกว่ากามส า, าสันทะเป็นทุปธศัก์คันทางที่จะไปถึงที่สุดคนทุกได้กามาสันทะ์ น, นี่แหละเอามาดูมารู้ให้มันเห็นจริงไม่เห็นจริงอล้วนี่ก็ไปใไนคลทุกคนยังพาการพิจารณาให้เข้าใจอย่างนี้ที่เรียกว่า มีวันหาเป็นเครื่องอุปสรรคขัานถ้าปรารถนาจะคนจากถุกถ้าไมปรารถนาจะคนจากถูกก็คงรู้ขอรู้ไว้ให้เข้าใจเสียว่าตัวนี้เป็นอุปสรรคเป็นเหตุให้ถูกขัดขวางมนเป็นเหตุให้ถูกมัดอยู่ในกฏสงสารที่ตายตรงนี้แหละ ั้ใงใจทำใจสงบพุ่งลุนสมาธิภาวนานี่แหละเป็นเรื่องต้นถ้าจิตสงบเต็บที่แล้วมีวอนทั้งห้าก็จะปรากฏขึ้นมาทีเดียวอย่าไปพิจารณาอย่าไปพิจารณาก่อนจิตสงบ คิดสงบขอสมา้งควรแล้วจึงค่อย่เจนานณาคือว่าความสัมพัญท์ที่คิดโทษเห็นภัยมะนั่นแหละทุกตัวตนทุกคนไม่ว่าหนุ่มแก่บ่าวสาวจะไปเข้าใจว่า กรารมาฉันทะทั้งออย่ากจะเข้าใจว่านีว่อนทั้งห้านี้ไม่มันซ่าพึ่งอยู่ในใ น, นั่นเนี่ยมันมีนิดนิดหน่นอยๆติดอยู่ภายในนี่มันเป็นเชือ้อสำหรับให้ก่อภพก่อชาติแต่เท่าชราบางกันยังติดอยู่แล้เนี่ยติดน่อยมันถ้าเราเป็นเชือ้อมันไม่หอดอก ก็ตายไปเท่านั้นนี่ะความอาลัยอาวรณ์ความเกี่ยวข้องผูกพันได้เกิดอีกก็พบก่อชาติอีกมันเริญเติบโตขึ้นมามนก็ค่อยหุ้คอ่อยมัวนะออกก่วงออกมันค่อยจเจริญขึ้นนองงามขึ้น แก่เท่ามาค่อยหุบค่อยแหวไปแต่มันไม่หมดไปเกิดเชิงใหม่ก็ไปกอ่อเอาเนี่นะไปกอ่อไปก่อแล้วก็เจริญขึ้นเรื่อยลำดาบลำดับในกามกกามาพกลามาพกนี้มันต้องมีท้งนั้นในระยะที่ มันก่อกก่อชาติในะย่าที่มันจเจริญงอกงามสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์ในระยะนั้นกันมากมายหลายอย่างหลายสกายนั่อความเมานั้อย่างมากมายเลยมันกระดูมันจะไม่มีความเมานั้นไม่มีก่อสร้างความ เพืเกิดโมเมาให้เจริญงอกงามขึ้นถ้าแก่เข้าจะลุทุดโทมไปขาไม่ฉันทะมันน้อยอ่อนไปแต่มันซึ้งภายในยังค่อยเห็นโทษหมดท า, ทางแก่ไปยังเป็นเจกับตายเอาไปก่อใมาอีกของนี้น้อยอไปก่ออีก เหมือนกับต้นใหม่มันเกิดขึ้นมาตอนนี้น้อยจนเป็นต้นเป็นลำใหญ่โตม า, มาฐานขึ้นมาก็ะทั่งออกลูกออกผลมันเป็นลูกเป่องผลแล้วมันก็เก็บไวไ้ในในลูกมันมันเชื่อม น, น, น้อยมันเก็บไว้ลูกมันมันก็เกิดใหม่อีกเกิดเพาะใหม่เกิดใหม่อีก มันไมไ่เอาต้นไปปลูกหรอมันไม่ได้เอาหมดทางลำไปเอาต้นลำไปปลูกหมดหรอเอาเม็ด น, น้อยเดียวเนี่ยไปปลูกขึ้นมาค่อยงอกงามขึ้นมาอีกทันเดียวกับพวกเราเกิดมาทีแรกกันเึร า, านั้นอย่าค่อยใจว่าไม่ค่อยชำนานจึงนาาใสความสงบแล้วคิดค้นี่จะนณาของปณ้ คิดคนไม่ได้ก็เรียกว่าไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะรักษาสังได้